ทรงประชุมสงบัญญัติศิกคาบทลำดับนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งให้ประชุมทรงเพราะเรื่องนี้เป็นต้นเหตุทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายทราบว่าพวกภิกษุณีชาวพคีดาอุบาลีจริงหรือภิกษุทั้งหลายทูลรับว่าจริงพระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงตำหนิว่าภิกษุทั้งหลายฉนพวกภิกษุณีชาวพคี